ถือโอกาสฟังธรรมนะระหว่างที่รอพร ะ, ะตักอาหารเมื่อนี้นะเป็นมื้อสําคัญนะของพวกเราพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีบรรพบุรุษมีพ่อมีแม่มีพ่ อ, ม, ม, พอมีแม่มีปู่ย่าตา ย, ยายวันนี้เป็นวันสําคัญของทุกคนนะที่มีบรรพบุรุษนะเป็นวันสําคัญทางประเพณีนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเพณีพุทธศาสนานะ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 ในเวลาที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะเราก็อาจจะให้เงินให้ทองให้ท่านได้เอาไปใช้หาซื้อของให้ท่านได้อาศัยนะซื้อโทรศัพท์ซื้อนาฬิกาซื้อตู้เย็นแต่ว่าเมื่อทะลวงรับดับไปแล้วนะซื้ออะไรไปก็ประได้ทั้งนั้นนะมีแต่ต้องทำบุญซื้อบุญยังซื้อป่ได้เลยนะถ้าซื้อถ้าจะอยากได้บุญก็ต้องเฮต้องทำ ทำยังไงนะก็มาถวายสังฆทานถวายอาหารให้กับพระนะทานที่เราถวายนะั่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบุญนะแล้วบุญนั้นเมื่อเราตั้งจิตอุทิศให้กับผู้ที่ลงลับนะเขาก็ได้บุญนั้นก็จะได้ประสบความสุขความสวัสดีเรียกว่าสวยสุขในสัมภารพบนะแล้วก็ชาวบ้านเราก็เชื่อว่านะลูก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 นผ่านไปสิบปียีสิบปีนี่เขาอาจจะเราอา จ, จะได้กลายเป็นคนได้รับความช่วยเหลือจากเขาก็ได้เพราะเขาล้ำลึกถึงบุญคุณของเราเขานึกถึงเห็นถึงเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเขาก็มาช่วยอันนี้เรื่บุญที่ทําวันนี้นี่สามารถจะส่งผลไปถึงสิบปียี่สิบปีข้างหน้าก็ได้เวลาตกทุกข์ได้ยากก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เราเคยจากคนที่เราเคยช่วยเขาไว้อย่างเมื่อ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 ที่ช่วยเขาเอาไว้นะช่วยกระทั่งว่าขับรถไปไปส่งถึงกรุงเทพนะเพื่อนั่งเครื่องบินกลับเพราะว่าเครื่องบินที่ภูเก็ตนี่มันมันเต็มมันนัน่นมันต้องมาขึ้นที่สุวรรณภูมิในตอนที่อยู่ภูเก็ตนี่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากผัวเมียสองคนนะผ่านมาสิบปีนี่เขาก็ตามหาประกาศทาง a ฟ e b o o k ประกาศทางสื่อมวลชน่นะใ น, นที่สุดก็ได้พบกันก็ดีใจนะ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 ไอ้ลวงมะเลงก็บีบคั้นนะปวดล้อกโอดโอยยาก็เอาไม่อยู่นะมีพยาบาลคนหนึ่งนะมาเยี่ยมพยาบาลคนนี้ก็ถามแทนที่จะถามว่าปวดมากไหมปวดกี่คะแนนปวดเท่าไหร่นะั้นเขาถามยายว่ายายชีวิตนี้ทำแล้วแล้วมีความสุขมากที่สุดยายก็ตอบว่าหล่อพระนะเมื่อ10ปีก่อนนี่เคยไปหล่อพระที่วัดหนึ่งมีความสุขมาก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 ใจิใจอิ่มเ อ, อิบปิตินะพอใจสบายนี่กายมันก็สบายไปด้วยแล้วคนที่ใกล้าตายนี่พอนึกถึงบุญนะมันก็ทําให้ไม่กระไม่กะสรกระสายไม่ทุรนทุรายตายสงบตายดีได้เนี่พยพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาเส้นชีวิตในเวลาเส้นชีวิตนี่ก็เป็นสุขได้นะตายเป็นสุขได้ไม่ต้องถึงขนาดหลวงพ่ อ, พอคําเขียร์หรอกนะอย่างเราทุกคนนี่ก็ทําได้นะเมื่อเรานึกเมื่อเราตายเราจะตายเราก็นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทํา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 ไปไหนก็ตามไปนะบาปและบุญนี่มันตามไปถ้ากลัวบาปนะก็สร้างบุญเอาไว้น ะ, ะแล้วก็ขออนุมโมทนาอพอแม่ออกญาติโยมทุกคนนะที่ได้มาร่วมกันทําบุญนะในวันนี้เพื่ออุทิศหายกับผู้ที่ลงลับมีบรรพบุรุษปูญญ่ย่าตายายแล้วก็ถอยหลังขึ้นไปนับประมาณไม่ได้ก็ขอให้อันนี้สองแห่งบุญนั้นอนํานวยอวยผลให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะปลอดภัยไกลทุกข์